สถาบันพลังจิตตานุภาพมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังศรินทรุเสนอการบรรยายหลักสูตรครูสมาธิและหลักสูตรวิทันตสาสมาธิโดยครเด็จพระกุณทรัพย์เจริญุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทรุตอนที่ 3.1 มจุดวิปัสสนาหัวข้อ3 1มจ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสนามาถึงวิปัสนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องต้องนั่งหลับเพราะอะไรที่นั่งหลับเพราะว่าคนลเม็ดของวิปัสสนามีไม่มากเหมือนกับว่าเราทำฌานหรือเราทำสมาธิที่เราทำสมาธิส่งเสริมพลังจิตต้องการพลังจิตทุกอย่างเรารู้แล้วว่า การทําพลังจิตเนี่ยมันทำขึ้นมาได้อย่างไรก็คือสมาธิที่ได้สร้างพลังจิตขึ้นมาทีนี้เมื่อสร้างพลังจิตขึ้นมาแล้วมันก็ต้องถึงจุดพลังอํานาจเมื่อถึงจุดพลังอํานาจแล้วการถึงจุดพลังอํานาจนี้มันมาถึงจุดทีาเรีย ก, กว่าจุดใหญ่จุดสำคัญการถึงจุดสําคัญก็หมายถึงว่าเราได้เรียนถึงขั้น เรียกว่าทันทีจำเป็นต้องรู้ก็ได้รู้แล้วแต่ว่าในเรื่องของวิปัสสนานั้นถ้าหากว่าจะอธิบายกันมันเป็นเรื่องมากเรียกว่าต้องอธิบายกันถึงสามอธิบายกันไม่หยุดพูดเรียกว่าพูดไม่หยุดเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อพูดอยู่เดียเ๋ยนี่เอากันนะสามเดือน ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนพูดอยู่อย่างเนี้สามเดือนยังไม่จบเรื่องความวิปัสนา <c oughs> แต่ว่าจะอย่างไรก็ตามเหมือนกับข้าวที่เราหามาเยอะๆใส่ยุ่งเอาไว้เต็มยุ่งเลยเวลาที่เราจะรับประทานนั้นเราไม่ได้รับประทานหมดยุ่งหมดฉาแต่เรารับประทานทีละจานอย่างเนี้ ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่ไม่ใช่จานด้วยช้อนเดียวกินจะเข้าปากเรามีอยู่ช้อนเดียวถ้าใส่เกินไปกว่านั้นไม่ได้แล้วเราช่องปากเท่านี้ก็ต้องใส่เท่านี้แล้วก็เกิดประโยชน์เช่นเดียวกันวิปัสสนานั้นถ้าจะเริ่มต้นเราจะต้องเริ่มต้นด้วยพระที่เข้าสวดอภิธรรม ถ้าสวดอาภิธรรมเนี่ยตอนที่คนตายเนี่ยเขาจะมีการสวดอาภิธรรมทําไมถึงต้องสวดอาภิธรรมเพราะว่าอาภิธรรมนั่นคือวิปัสสนาอย่างนี้ <c oughs> ที่ว่าอาภิธรรมคือวิปัสสนาก็คืออ่าเรียกว่าอาภิธรรมอีดกพอเวลาที่พระเข้ามาสวดเนี่ยเขาจะย่อย่ออาภิธรรมทั้งหมดเนี่ย อ่าสี่มื่นสี่พันพระธรรมขันเนี่ยย่อลงมาเหลือที่พระท่นานสวดเจ็ดคำเกีเยกุศลธรรมมากุศลธรรมมาพอตอนจะจบก็โยแหละทีนี้เหิต hey, ุปปัจโย <c oughs> คนที็เขาไปฟังบ่อยๆเขารู้นี่โยแล้วจะจบแล้วเหิด hey, ตุปปัจโยเพราะฉะนั้นในคำว่าเหตุปปัจโยนั้น อันดับแรกแปลอันดับแรกว่าเหตุปัจจัยโยคือเหตุเป็นปัจจัยเหตุเป็นปัจจัยนั้นเราจะอธิบายได้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเกิดมาแต่เหตุเช่นทําไมเราถึงรับประทานอาหารเพราะหิวทําไมเราต้องนุ่งผ้าเพราะความละอายทําไมเราจึงต้องยกบ้านเพราะฝนมันตกอย่างเนี้ยเพราะเหตุใดเราจึงต้องเดินทาง เราบต้องการไปสึงจิตหมไอ้อย่างนี้คือมันต้องมีต้นเหตุและเมื่ออธิบายต้นเหตุแล้วเนี่ยต้นเหตุมันเป็นวิปัสสนาได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> แล้วต้นเหตุมันเป็นวิปัสสนาขึ้นมาได้เพราะว่าเราจะต้องไปสาวว่าทําไมเราจึงเกิดมานี่มันจะมีคําถามขึ้นมาทําไมเราจึงเกิดมาเป็นคนไม่รู้คําตอบจะตอบว่ายังไง อันนี้คือวิปัสนาว่าจะต้องรู้ว่าเราเกิดมาเนี่ยมันเกิดมาอย่างไรมันเกิดมาจากไหนเพราะอะไรจึงทำให้เกิดมาอย่างนี้อันนี้คือต้อนเหตุของวิปัสนาเพราะว่าทาไมจึงว่าเป็นต้นเหตุของวิปัสนาก็เพราะว่าวิปัสนาต้องรู้จริงว่าคนที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาอย่างไรอะไรเป็นผู้ทาให้เกิดมา แล้วจะต้องแก้ความเกิดตรงนี้ได้ยังไงอันนี้คือต้นเหตุของวิปัสสนาเรียกว่าอาทีแรกทีแรกอันนี้คนที่เกิดมาเนี่ยต้องมาจากอาวิชชาทีนี้เราก็ต้องไปเรียนอวิชชาแล้วว่าอาวิชชานี่มันคืออะไรอวิชชานี่มันจะประกอบไปด้วยกิเลสสามกองที่อยู่อวิชชาคือราคะโทสะโมหะราคะความกำหนัดยินดี โทสะความโกรธโมหะความหลงมันจะอยู่ตรงนตรงจิตตรงใจตรงนั้นและทีนี้คนก็ไม่รู้ว่าร า, าคออ ะ, ระคืออะไรโทสะคืออะไรโมหะคืออะไรแต่ว่ามันจุดอยู่ที่ใจจุดอยู่ที่ใจตรงนั้นะที่มันไม่รู้เนี่ยเพราะอาวิชชาอาวิชชาเป็นตัวเป็นตัวปิดอปิดกิเลสสามตัวในไว้ก็คืออวิชชา แต่ว่าก็อยู่ในจิตซึ่งเป็นอนุนิสเดียวถ้ามันใหญ่โตมันเข้าท้องคนไม่ได้แต่เพราะมันนะแล้วก็ในการที่จะไปเข้าท้องคนเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องเรียกว่าละเอียดเดย็บอะแม้แต่น้ำเราลดตัวลงไปนี่ก็ยังสึมเขา้าร่างกายข้างในไม่ได้อย่างเนี้ยแต่ว่าอาวิชชาเนี่ยมันซึมเข้าไปได้ เข้าไปอยู่ในท้องคนได้อย่างนี้เป็นต้นพอเข้าไปอยู่ได้แล้วเนี่ยอตัวกิเลสสามตัวนั่นมันก็อยู่ภายใต้การบ่งการฮภายใต้การบ่งการของตัวอวิชชาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องควบคุมตัวราคะควบคุมตัวโทสะควบคุมตัวโมหะให้อยู่หมดัดให้อยู่หมัดก็คือหมายความว่าต้อง ทำตามชันนี้ฉะนั้นนะก็ไม่ถือว่าตัวผู้นั้นคืออวิชชาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอะไรที่จะไปแก้ไขตัวอวิชชาอันนี้อันนี้คืออคือหลักการของการเริ่มต้นแห่งวิปัสสนาว่างั้นอันนี้ไม่มีใครเถียงได้ เพราะว่าเป็นของจริงอย่างเนี้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นออของการที่จะดำเนินวิปั ส, สนาต้องรู้ตัวนี้ก่อนแล้วก็จะไปรู้ได้ยังไงถ้าหากว่าเรานี้ยังอยู่ภายใต้การบงการของอาวิชชารู้ไม่ได้รู้เหมือนกันแต่รู้ในตัวหนังสือรู้เหมือนกันรู้แต่หลงพ่อพูดแต่จริงๆแล้วไม่รู้ อย่างเนี้ยรู้เหมือนกันว่าไอ้เนี่ยมันตัวทาให้เกิดแต่ว่าไอ้ตัวจริงๆเนี่ยเราไม่รู้เพราะว่าเราถูกอวิชานั้นปิดไปแล้วปิดไปแล้วทีนี้เราก็เห็นว่าตัวที่หนึ่งดีตัวที่สองดีตัวที่สามดีคือพิที่ว่าดีเนี่ยเพราะอ่ออาวิชาเป็นตัวที่ครอบงําครอบงําให้ ให้ว่าดีราค่าความต้องหนักกินดีก็ดีความโกรดแหมชันเนี่ยโกรดได้ใหญ่โตดาใครได้อะไรได้อ่าบุพยาบาา้าจองเว้นใครได้อ่อะไรอย่างเงี้ยก็ดแีแล้วความหล ง, หงมัวเมาในสิ่งต่างๆทรัพย์สินสมบัติงเงินทอ ง, อ, งองของสารพัดฉันก็ต้องว่าดีอ่ะไม่ว่าดีไม่ได้เพราะว่าอาวิชชาบังคับวไว ฟังทักให้เราต้องคิดว่าดีเออธิบายอย่างนี้จะไม่เข้าใาแล้วแล้วก็ให้จำไว้ว่าวิธีการของวิปัสสนานี่คือนี่คือลักษณะแรกเลยแรกที่คันจะต้องรู้ถ้าไม่รู้อันนี้เขาจะทำยังไงก็ทำไปราะว่าจะไม่สามารถ เ, เข้าใจเรื่องวิปัสสนาได้โดยเด็ดขาด จะเพียงเพียงพูดว่าทุกขังอันนี้จังอนัตตาทุกขังความเป็นทุกข์อันนี้จังความไม่เที่ยงอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนอันนี้มันเพียงผิวเผินนอกนอกอ่านอกนอ ก, นอกที่มันเป็นไอจิตยาอาการออกมาแล้วแต่ว่าตัวจริงๆมันอยู่ตรงนี้อ่าตัวจริงมันอยู่ตรงตัวอวิชานี่อันนี้คือวิธีการอันนี้บอกวิธีการให้นี่นวิธีการสอนวิปัสสนา วิธีการสอนวิปัสนาเราจะได้หรือไม่ได้ไม่มีปัญหาหลวงพ่อก็เหมือนการสอนนักศึกษาหลวงพ่อจะได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรแต่หลวงพ่อสอนได้ก็แล้วกันและนักศึกษาทุกคนถ้าจำํำคำนี้ไปก็สอนได้อีกถ้าใครไปทำลายอาวิชาได้สักคนนึงแอบคุ้มเลยเอย่างนี้นะแต่ว่าไอ้คนที่จะกล้าพูดออกมาว่าเอ อาวิชชาเนี่ยมันเป็นตัวหุ้มหุ้มใจคือปิดใจของเราเนี่ยให้ตัวกิเลสสามกองคือราคะโทสะโมหะเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจอันนี้ใครจะกล้าพูดถ้าหากว่ามันจิตใจไม่แข็งจริงไม่แน่จริงไม่กล้าพูดแต่พูดที่กล้าพูดนั้นคือพูดที่ได้ทำลายอาวิชชาไปแล้ว แล้วก็สามารถเอาคำนี้ออกมาเิดเกย์พวนั้นคือใครพวกนั้นก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกาจัดในตรง น, นี้ออกไปก่อนเมื่อกาจัดออกไปแล้วทีนี้อ่าชาค้าความกาหนัดยินดีโทษะความโกรธโมหะความหลงไม่สามารถจะมาสั่งการได้อวิชาถูกทำลายแล้วก็สั่งการไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นาการอธิบายวิปัสนาจึงไม่มากว่าทำยังไงจะเล่นงานอาวิชาตัวนี้ให้ได้นี่คื อ, อหลักสำคัญเพราะว่าอาวิชาเนี่ยถ้าจะว่าหนานะยิ่งกว่าโอ้ยในวินาะหอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ามันหนาจริงๆแล้วมันเข้าท้องผลได้ยังไงก็คือใจอันนี้ใจของเราที่เราใช้ความนความคิด แต่เวลาที่เราใช้ความนึกความคิดอยู่เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าอาวิชาตัวนี้แหละเป็นตัวที่บังคับบัญชาใจของเราอีกองไม่ให้ใจของเรามีอิสระหาอิสระภาพเพราะเรียกว่าเป็นธาตุของอาวิชานี่นี่นี่นี่คือคําพูดของอพุทธศาสนาที่ท่านแสดงว่าเราคือทาต ของอาวิชานี้าะฉะนั้นใ้เริ่มต้นอของวิปัสนามันจึงต้องเริ่มต้นอย่างนี้อเริ่มต้นด้วยนั่งหลับ <c oughs> นั่งหลับหลวงพ่อก็ไม่รู้จะว่างไงก็เรียกว่าอธิบายตามหลักถ้าเราอย่างเขาว่าเฮ้ยตั้งสำนักวิปัสนาบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าวิปัสนาอะไรเห็นเขาว่าวิปัสนาดี่็ อ้วตั้งสำนักวิปัสนาและทีนี้ไอ้เราก็เชื่อเขาและตั้งสำนักวิปัสนาเออกวิปัสนาไม่เห็นมีที่ไหนก็เรียกว่าตั้งสำนักสมาธาหรือตั้งสำนักสมาธิไปที่ไหนที่ไหนรอบเมืองไทยไม่ใช่รอบเมืองไทยถึงพม่าเมืองมอนถึงเมืองไหนสำนักวิปัสนาทั้งนั้นก็ อ, อะไรเพราะว่าต้องการอยากจะแสดงภูมิ งการอยากจะแสดงว่าชั้นนี่แหละคือผู้ที่ต้องการพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการค้นทุกข์หรือว่าการกาจัดอาวิชชานั้นหน้าที่ของพลังจิตเราสะสมไปนับตั้งแต่เริ่มต้นที่เราสะสมไปในขณะนี้พลังจิตเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายอยู่แล้วอย่างที่เราทำสมาธิเนี่ย เราจะมีพลังจิตอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าพลังหลักส่วนหนึ่งเรียกว่าพลังเฉลี่ยพลังเฉลี่ยเราใช้ไปแต่พลังหลักนี่เก็บไว้ได้จากชาตินี้ไปชาติหน้าพลังนี้อยู่พลังนี้จะเป็นทั้งนิลายเป็นปัจจัยเป็นทั้งบุญเป็นทั้งวาสนาเป็นทั้งบารมีอยู่ในพลังจิตนั้นหมดเพราะฉะนั้นชาติหนึ่งก็จะต้องถึงวิปัสสนาจนได้ ไม่ต้องห่วงแล้วไม่ว่าชาติใดชาติหนึ่งก็จะต้องไปถึงวิปัสสนาจนได้แล้วก็จงพ้นทุกข์จนได้อันนี้แต่ว่าในขณะที่เรายังไม่ได้ถึงวิปัสสนาเราก็จำเป็นที่จะต้องมีสมะถะหรือมีสมาธิที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ตน้นเมืเรียนมาตั้งแต่ตน้นนั่นคือพื้นฐานพื้นฐานที่จะสร้างพื้นฐานของเราก่อน เขาสร้างพื้นฐานอันนี้ดีแล้วจะไปถึงมิปัสสนาก็ไปเหมือนอย่างกับอ่าที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าใหม่มีสองพี่น้องสองคนไปทําไร่อ้อยเมื่อทําไร่อ้อยในวันไร่อ้อยอ้อยสมัยนั้นไม่ต้องหีบเหมือนอย่างสมัยนี้ต้องให้หีบกว่าจะได้น้ามันถ้าตัดโคน เราก็ถือไปต้องการน้ำตัดไฟน้ำไหลโจคอันนั้นคืออ้อยสมัยนั้นแต่ว่าอ้อยนั่นมันก็ขึ้นยากต้องปรูต้องรักษาดีกว่าที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นไฟนอ้อจึงได้เดินทางไปตัดอ้อยเอามาสองลำเพื่อพี่ลํานึงเพื่อตอนเองลำหนึ่งมาถึงระหว่างทางพบพระประเจกกระโพธพุทธเจ้า อธิบายให้ฟังว่าพระเจเกับโพธมันเป็นยังไงพระประเจอกับโพดก็คือเป็นพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าสอนใครไม่ได้เพราะว่าฐานเล็กฐานเล็กก็เมตตาก็น้อยก็เอาแต่ตัวท่านเองแล้วก็คนทุกไปนี่เพราะฉะนั้นเมื่อน้องชายนั่นไก่อ้อยมาเห็นพระก็เลือกใสก็เลยตัดลายเอาน้าห้อยโจกใส่บาท พระท่านแก่ฉันแล้วทีนี้ท่านแก่คิดถึงพี่ชายเอ๊ะไอะ้ลำนี้ของพี่ชายแล้วยังไงก็ตามละ่ะแล้วเราไปบอกทีหลังแล้วเอาของพี่ชายพระท่านแก่จะปิดบาดก็บอกว่าขอหลวนขอหีบลำหนึ่งแค่ตัดจีบลำหนึ่งสองหลักใส่บาดพระประเจกน้องชายได้อธิษฐานว่าขอให้พระเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินม่พานสมบัติเถิดพระเจ้าข้า กลับลงไปกลับไปถึงพี่ชายก็บอกพี่ชายว่าอพี่ท่านเอาอ้อยถวายท่านพระเปชีกกรโพดไปแล้วขอให้พี่อธิษฐานเอาเถอะพี่ชายก็ดีใจว่าน้งองก็ยังคิดถึงเราก็เลยอธิษฐานว่าขอให้พระเจ้าเห็นธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วเถอดพระเจ้าค่ะสองคนอธิษฐาน ต, ต่างกันพี่ชาย เกิดไปอีกชาติเดียวเขาก็วิปัจนาไปแล้วพ้นทุกไปแต่น้องชายบอกขอมนุษสมบัติสวรรคสมบัติมีความสมปัติเถิดพระเจ้าค่ะน้องชายไปเกิดเป็นเศรษฐีมีเงินเยอะนะหลายพันหลายหมื่นล้านอันนี้ก็เรื่องใสจะเลยสร้างบุตริ์ถวายพระพุทธเจ้ามีเงินเยอะล้วเลื่องไสด้วย สร้างกติให้เอายพระเจ้าเขาเรียกว่าคันทะกุติคันท่าปุตินั้นจะทํากับไม้จันททั้งหมดไม่ได้ทําด้วยอะไรอทําด้วยไม้จันททั้งหมดเรียกว่าเข้าไ ป, ปหอมทั้งกุติใครเคยไปอะไรนะที่อินเดียเขาเรียกว่าอะไรนะ้าไอที่มันมีสระมันมีทะเลสาบอ่ะแคชเมียร์ ถ้าใครเคยไปแคชมเมียร์หลวงพ่อเคยไปแล้วไอแคทเมียร์นี่มันจะมีเรือสําหรับให้เช่าเราไปก็เช่าเรือลำหนึ่งเรือนั้นมันมีอยู่สองอย่างเรือทําด้วยไม้หอมและเรือธรรมดาจะเอาลําไหนถ้าเอาเรือไม้หอมก็จะต้องราคาเท่านี้หลวงพ่อแคอยากขี่ไม้หอมมากสิอเราเอาเรือไม้หอมโอ้โหอย่าบอกใครเลยมันหอมกลุ่มไปทั้งตัว <c oughs> นี่คือคันท่าปฏิที่ถวายจาสี่ร้อยห้าสิบล้านคิดดูว่าปฏิหลังเดียวนะสี่ร้อยห้าสิบล้านโว้ยสมัยนั้นมันเท่าไหร่ไม่รู้นับไปทวดน ะ, ะถวายพอถวายเสร็จแล้วก็ต้องฉลองว่าต้องการฉลองพอฉลองก็นิันต์พุทธเจ้ามาเทศเมื่อนิมนพุทธเจ้ามาเทศแกมีทัพพิมพ์เนี่ยเท่ากับลูกศพ ก็เลยเลยราคาแม่ขนาดนี้ราคาเอาไปติดกันเทศเอาอะไรแม่เอาเอ า, เอาดันเอาทับทิมไปติดกันเทศไม่ใช่ทับทิมลูกกินแม็กมานา <c oughs> รูบี้รูบี้ทับ <c oughs> ทิบมอัน <c oughs> นี้พอเวลานั่งฟังเทศมันก็มีขมโมยขมโมยมันก็จ้องมาจ้องมามันทําเป็นฟังเทศเหมือนกันเนี่ยถ้าเรียกว่าสไป อ่ขอโมยสไปเวลาเทศมันก็ขยับเรื่อยแต่ก่อนมันอยู่โน่นมันก็ขยับเข้าขยับเข้าเพราะมันจะเอาเอรูบี้ <c oughs> มันจะเอาทับทิมเมนะ็ดนั้นขยับพอขยับถึงคดีพระเจ้าก็เทศไปมันก็เอามือเอื้อมไปจะไปจับอ่าทับทิมเม็ดนั้นเศรษฐีก็ลืมตาขึ้นเฮ้ย <c oughs> มันจะเอาทับทิมกูนี่ประเทศไทเจ้าก็รู้ถามเศรษฐีเศรษฐี อ่าจะียดายไหมทักทิมเมทเนี่ยจะได้ยไหมไม่จะีดาเพราะอะไรเพราะถวายพระองค์แล้วเออถ้าอย่างงั้นก็ให้ันไปเถอะมันก็เลยเวยเอาไปเดินไปสบายเศรษฐีก็เลยอธิษฐานว่าต่อไปชาติหน้าหากว่าเอถ้าข้าเปเจ้าในให้ของใครแล้วใครจะมาอถือเอาไปไม่ได้นี่จากนั่นอ่ะเศรษฐีคนนี้ก็ ท่อเที่ยวแล้วเกิดจะตายเกิดจะตายเกิดจะตายมาจนกระทั่งมาถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่อนะก็มาเกิดเป็นโชดยัจยเศษฐีชดยัจเศรษฐีนั้นอ่ะปราสาทมันจะขุดขึ้นมาจากดินเองเลยไม่ต้องไปสรา้างเกิดมาแล้วก็ได้อยู่ปราสาทปราสาทนั้นไม่ต้องมีไฟฟ้าเอ้ยเลยไม่ต้องได้อธิบายกันสิวันนี้มาจะคุยที <c oughs> น, นี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่า ไม่ต้องยอ่อแล้วยังไงก็พูดให้มันจบว่าเมื่อได้พระบาสทนั้นขึ้นมาแล้วไม่ต้องใช้ไยความมันจะมีแสงสว่างเองแล้วมันจะเป็นความมืดเองแล้วผู้ที่เป็นภรรยาก็มาจากอุศรกรุฑวิแบบนี้เป็นคนที่สวยที่สุดมาเป็นภรรยาแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินอิจฉา คูเป็นขนาดเป็นพระเจ้าเป็นดียังไม่มีประสัดดีเท่ามืงองเพราะฉะนั้นกรูตรงเขาไปยึดนะพระเจ้าอาชาติศัตรูรก็ยกกองเขาเขา้าไปล้อมประสัดจะเอาประสัดของเขาทันใดนั้นมีทหารมากกว่าของพระเจ้าอาชาติศัตรูออกมายืนกำบังไว้เอ๊ะไอ้หมอนี่มันไปสะสมทหารที่ไหนวันนั้นก็จึงได้เข้าเฝ้าไปฟังเทศพระพุทธเจ้าด้วยกันพอาชาติศัตรูก็ไปฮะ โคตรยเัเศรษฐีก็ไปและเมื่อฟังเพทย์จบเขาก็ต่อว่าแกมีทหารว่าทําไมเนี่ยแกจะเป็นกระบอตรึบอกว่าให้มี้ทหารผมมีที่ไหนอ่ะก็เมื่อกี้นี่เนี่ยเราไปล้อมอ่ะทหารมันมาทั้งเยอะมันไม่ใช่หรอกมันนั่นทหารผี <c oughs> ที่จริงไม่ใช่ทหารผีทหารเกิดจากบุญเพราะเศรษฐีได้จิตฐานไว้ว่า เกิดไปชาดดติใดฉั้นใดถ้าหากว่าข้าพเจ้าไม่บอกให้ของใครรับคนนั้นเจ้าของกับเจ้าไปไม่ได้อก็เพราะทัพิมเม็ดนั่นแหล ะ, ละทีนี้เศรษฐีก็เห็นว่าโอ้อ้าพเจ้าแผ่นดินนี่โลภมากจริงเอ า, ถ, าถ้าหากว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะดึงแหวนจากนิ้วผมออกไปได้นะให้เลยทัพิีเม็ดนี้หมายความว่าเพชรเม็ดนี้ราคานับไม่ถว้วนอยู่ในนิ้วของเศรษฐี แมาเจ้าชาติร้อยแค่นี้ทำไมจะดึงไม่ออกช้างเลยยังสูกกันได้ถ้ามาถึงจับดึงจนเรือแตกเรือแจนก็ไม่ออกอถ้าหาว่าผมบอกว่าต้องการให้ผมบอกมันจะหลุดออกไปเองอเนี่ให้พระเจ้าเป็นดินแหวนก็รอยก็เป็นสสืนม้วพระเจ้าเป็นดินเลยอย่างนี้เป็นตน้นเสถีันเล ย, ยอย่างนี้ก็น่าอนเนจถนัดใจเบื่อหน่ายแล้ว อยู่ไปทําไมในโลกนี่ความสุขก็มีแล้วก็เลยขอบวชในพุทธศาสนาบำเป็นวิปัสสนาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปแล้วเป็นวิปัสสนาแล้วนี่นี่อธิบายทัเรื่องวิปัสสนาเทว่าน้องต้องการมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติที่ต้องการพระนิพพานไปเลยก็ต้องทาฐานนิดเดียวก็เหมือนกระพัฒนะอย่างเนี้ยนิดเดียวไปเป็นพระเอก เจ๊กโพดนิดเดียวไปแ่ยางหลวงพ่ออย่างเนี้ต้องทําฐานใหญ่ <c oughs> ไม่ได้ทําฐานแรกเป็นฐานแรกก็ม่ได้กคิดจะช่วยคนอื่นนอาจากตัวเองรอดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการอธิบายวิปัสสนานี้กคคณจะเข้าใจแล้วก็จมจำไอ้เหตุตุกติโยเอาไว้ว่าอะไรต้องมีเหตุทุกอย่างต้องมีเหตุ อย่างเราจะสร้างบ้านต้องมีเหตในจิตของเรานั้นอะ่ะมันก็จะมีราคะโทสะโมหะความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงเขาเรียกว่ากิเลสสามกองจะอยู่ในนั้นเมื่ออยู่ในนั้นแล้วเนี่ยอวิชาเป็นตัวที่ครอบอยู่เมื่อครอบอยู่แล้วเนี่ยจะบังคับให้ใจของเราเนี่ยเห็นว่าราคะเป็นของดีโทสะดีโมหะดีอมีเงินมีทองมีข้าวมีของมียศถาบรรดาศักดิ์อะไร เยี่ยแย่แข่แแ ก, กันดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่วาปราข่าฟันดีอะไรดีมันจะบังคับให้ไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวอวิชชาตัวนี้คือเป็นตัวที่ทําให้มนุษย์นี่ตายแล้วก็ไปเกิดต่อไปอีกเพราะว่าอาวิชชาตัวนี้จะเอ่อเป็นสิ่งที่คุมจิตอยู่ตลอดจนกว่าว่าเราจะทรมิปัจนาเมื่้ทำมิปัสนาเมื่อใดเนี่ยเราก็จะเริก เริ่มจะจั ด, จดการกาวิชาจะ จ, จัดการได้แค่ไหนเพียงไรโดยที่จุดพลังอำนาจเราจะสร้างจุดพลังอำนาจขึ้นพลังจิตนี้ขึ้นมาได้อย่างไรนี่คือปัญหาที่เราต้องเอท่บุคคลที่จะดำเนินวิปัสสนาไปให้บังเกิดขึ้นเริ่มต้นเช่นการพิจารณาว่าเมื่อจุดพลังอำนาจเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดยาน ยานนี้จะต้องออกไปแขนงหนึ่งของจุดพลังอํานาจเมื่อจุดพลังอํานาจเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสองภาคอย่า น, นี้ภาค น, นี้เราจะเอายานเนี่ยไปใช้รักษาโรคเราจะอายานเนี่ยไปใช้เพื่อรู้จักอนาคตเราจะอายานเนี่ยไปใช้เพื่อให้เกิด อ, อิทธิพล ต, ต่างๆลา น, นี้เป็นตน้นอันนี้ไปทางนี้ ถ้าจะไปทางนี้คือวิปัสนาวิปัสนาแล้วก็เอายานอันนี้อีกเลยแต่ว่าเดินทางขวาไปวิปัสนาแล้วทีนี้เมื่อไปวิปัสนาแล้วเนี่ยก็จะไม่คิดว่าจะไปรักษาโรคใคระจะไม่คิดว่าอจะไปเที่ยวรู้จิตใจใครจะไม่ได้คิดว่าจะต้องไปทําอิทธิพลที่ไหนแต่ฉันต้องการที่จะต่อสู้กับ ะวิชาให้ได้เริ่มต้นทีนี้เมื่อเริ่มต้นอย่างนี้เราก็กลายเป็นอุปสงค์อุปสงค์ของบุกคลคนนั้นอยู่ในใจก็จะคิดคุ้นคิดอยู่อันนี้ยเมื่อคุ้นคิดอันนี้แล้วก็เรียกกร่สีนี้เตรียมละของเข้าของบริจาคเกี่ยวเอาละฉันจะไปละอย่างนี้แต่ว่าถ้าหาก็ไปหมดละโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วคนก็เกิดไม่มีอ่ะ เ้าจะทํำยังไงนั่นก็เป็นไปไม่ได้คือสิ่งอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้พุทธศาสนาก็ได้สืบเนื่องมาสองพันกว่าปีมานี้ก็เพราะตรงไม่ไม่ผู้ลนะถ้า <c oughs> พระเราเนี่ยต้องมีครอบครัวเพราะเราเนี่ยอต้องอยู่ในสังคมเพราะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นพื้นฐานของสมาธิยังเป็นพื้นฐานที่จะสร้าง ความที่เราไปเกิดชาติใดชั้นใดเกิดชาติใดชั้นใดอย่างนี้มันจะไม่ต้องไปเกิดความเดือดร้อนจนเกิดไปแบบเดียวกันกันกบท่านผู้น้องนี่แหละก็ mm. เกิดไปชาติใดมันก็การนี้บุญหรือว่าการนี้พลังกิตหรือว่าทิตสร้างพื้นฐานของสมาธิมันก็สามารถที่จะปิดสบายได้ <c oughs> เพราะฉะนั้น จึงได้บอกว่ามีทั้งศรัทธามีทั้งวิิยามีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญานี่ <c oughs> เขียนเอาไว้หมดแล้วเพราะว่าถ้าหากเราจะอธิบายอันนี้อย่างเดียวนีนคิดว่าน่าจะต้องเป็นหลักการแล้วก็จะต้องนั่งหลักมากคนคนอธิบายก็จะยืนหลับอไอเงี้ยคนนั่งฟังก็นั่งหลับอย่างนี้ เพราะอะไรเพราะว่ามันจะเข้าระวังอะไรรก็ไม่เอาก็เข้าระวังเรื่องก็เรื่องไปอย่างนั้น